เพราะมีพบจึงมีชาติชลามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วมันเป็นเหตุให้หลุดเข้ามาหลงยึดในระบบของขันธ์ห้าถ้าเรายังมีความเพลินอยู่อัตมาจึงบอกว่าคำว่านันทิเป็นปฏิปทาที่สำคัญมากใช้ได้ตั้งแต่ขันธ์ห้ายังนิพพานเลยนั้นในนิพพานไม่มีไปอนาปานาัสตินะอสุภาอะไรอาหารเป็นปฏิกูไม่มีแล้ว แต่ยังมีนันทีตามเข้าไปด้วยเห็นไหเพราะ น, นั้นถ้าโยมหยิบปฏิปทาการละนันทิโยมใช้ได้ตั้งแต่ปุถุชนเลยเ บ, บื้องต้นเลยทำไปเรื่อยๆละนันทีไปเรื่อยจนทั้งถึงนิพพานแล้วก็ละนันทีในนิพพานจบเลยเครื่องมือเดียวนะยาครอบจักรวาลละนันทีอย่างเดียวละนันทีละนันทีไปเรื่อยนี่ก็ให้ดูพระสูตรนะ มีต่ออาการที่วิญญาณดับไปเป็นเช่นไรขอพระอาจารย์ช่วยขยายความค่ะดูง่ายๆคือดูลมหายใจนี่แหละขณะที่ลมหายใจมีมีอะไรละ่ะคือมีวิญญาณกับลมลมรู้เรื่องอะไรไหมลมมีชีวิตมันไม่รู้เรื่องอะไรลมที่อยู่ตรงนี้มันไหลเข้าไปแล้วก็ไหลออกมา ใครเป็นคนรู้ว่าลมกําลังไหลเข้าไหลออกวิญญาณแค่นั้นเองเพระองค์จึงให้รู้สึกเฉยเฉให้รู้เฉยเฉยว่าลมกําลังไหลเข้าเพราะนั้นถ้าหลุดไปคิดพุ้อเนี่ยมันไม่ได้รู้เฉยๆแล้วมันเป็นไปเป็นผู้คิดขณะที่คิดเนี่ยวิญญาณเข้าไปรับรู้ความคิดนเพราะฉะนั้นเวลาอยองคิดไม่ใช่ความคิดมันโผล่ขึ้นมานะผู้รู้มันเข้าไปรู้ความคิดและเราขาดสติแล้วตรงนั้นคือสติหรือจิต ผู้รู้ไม่อยู่กับกายแล้วแต่ความเร็วมันสูงมากพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็กลับมาพร้อมกันพอเราหลุดมันก็ไปความเป็นเราก็เกิดวิ่งกลับไปกลับมาพร้อมกันไม่ทันมันหรอกนะยากมากไม่งั้นสัตว์ทั้งหลายไม่หลงอยู่ในสังสารัตลอดกาลยาวนานถึงเพียงนี้เพราะจิตเกิดดับเร็วมากเลยทําให้โยมเหมือนกับว่ารู้สองอย่างไปพร้อมๆกันอุ้ยฉันก็รู้ได้ในสองอย่างพร้อมกันแต่จริงๆมันสลับกันล่ะเกิดดับแล้วไม่ทันนะ นี้การประสบกับสิ่งไม่ดีในชีวิตเกิดจากอะไรคะเกิดจากกรรมทั้งเก่าและใหม่กรรมเก่าเรียกปุราณกรรมและกรรมใหม่เรียกนวกรรมกรรมใหม่กรรมใหม่เกิดจากพัสษะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เกิดจากการโดนบันดาลของใครโยมรอดจากอุบัติเหตุได้ไม่ใช่พ้าเครื่องไม่เกี่ยวนะไม่มีพ้าเครื่องก็ตายมีก็ตายได้หมดนะเหมือนคนห้อยพาก็กรอดตายกันหมดเสยนะเพราะนั้นกรรมเป็นตัวส่งผลนะการกระทาของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะ ในอดีตผู้จ้าเรียกปูราณกรรมคือกรรมเก่าและกรรมใหม่คือนวกรรมเป็นตัวส่งผลนั้นความเห็นที่ว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งกรรมเกิดจากตนเองบันดาลเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่สองเพราะตนเองก็ไม่มีตัวเราเป็นเพียงกระแสหรือสายปฏิจจสุบาทเท่านั้นกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นผิดอีก เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่สามสี่ใครคิดว่าการรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่สี่โสดาบันต้องรับได้นะโยมจะแต่โสดาบันโยมต้องละความคิดผิดสี่อย่างเหล่านี้นะีะ่ต้องต้องวัดใจกันไปเลยผ่านสาไม่ไหวก็เป็นตายช่างมันให้มันรู้กันไปนะ่ตายเป็นตายนะ เออมันต้องกล้านะต้องลองนะเชื่อผู้เจ้าอย่างเดียวนะเชื่อดูสิเอายอมตายสักรอบเนี่ยถ้าเชื่อผู้เจ้าแล้วตายเอ้าไม่เป็นไรนะอ่มันจะได้หมดไปเลยหมดคาใจเออไม่เป็นไรนะผ่านมาร้อยรอบก็ไม่ตายเนี่ยนะอืมน่าจะก่อนเนี่ยสมัยเป็นนักเรียนขับรถผ่านให้ถนนขายไปลบบุรีนะแยกขวาไปเพชรบูรีนะซ้ายไปลบบุรีตรงนั้นผ่านไปสักพังจะมี ต้นไม้ใหญ่สารเบีงตาเต็มเนะลยรถทุกคันเนี่ยปิ้นปิๆนป้นป้นหมดเลนะเราก็ปิ้นป้นมาเลยนะพราะปฏิบัติมาสักพักอย่าไปบีบมั น, น, นมเลยตายมันตายผ่านไปเป็นร้อยเที่ยวก็ไม่ตายนะเนี่ยวัดกันไปเล ย, ยแหมนะมันชอบมีคำไม่เชื่ออย่าลบหลู่แหมฟาสเสียวเอาซะหน่อยนะ เดินผานศาลลืมว่า ย, ยังหันกลับไปไหวกีเอยกันภลาดไหมนะอืมก็เรียกว่าความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตนะนั้นผู้ที่ตำกโสดาบันเนี่ยจะมีความหวั่นไหวตรงนี้นะอืมนั้นถ้าโสดาบันแล้วไม่หวั่นไหวมั่นคงดุดเสาหินยาวสิบหกศอกฝังลึกลงในดินแปดศอกโผล่ขึ้นมาแปดศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศชันใด จิตของโสดาบันก็เหมือนกันไม่มีใครลกความเห็นโยมไปเป็นอย่างอื่นได้โยมจะมั่นคงในพระรันาตนตรัยเป๊นะเนี่ยถ้ามีตรงนี้เรียกว่ามีโสดาปเตียงขสี่พยากรตนและตนนั่นว่าเป็นโสดาบันแล้วได้เลยนะนี่เป็นอย่างนี้แค่ความมั่นคงในจิตนะโยมแค่เนีนะ้เรามั่นคง ไ, ได้โสดาบันได้แล้วนะเพราะโยมนั่นคือโยมมีหลักแล้วมีหลักพระรันาตนตรัเป็นที่พึง่ง ไม่เอาแล้วพระเจ้าจึงบอกว่ามนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วก็ถือเอาป่าไมาบา้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลูกกเจดีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเข้าใส่ที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจจะหลุดพ้นไปจากความทุกได้ <c oughs> ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริสัต ท, ทั้งสี่ นั่นแหละที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งอันแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉนั้นศาสนาเราบัญญัติไว้แล้วยมเชื่อเลยปักใจชาตินี้ของงมงายกับผู้เจ้าสักชาติหนึ่งไปเลยนะเรางมงายกับอย่างอื่นมาเยอะแล้วเปลี่ยนอะไเปลี่ยนงมงายกับผู้เจ้าสักรอบมีเหตุผลทั้งนั้นเป็นคําที่ประกอบด้วยเหตุผลนะอื รูปเท่ากับกายเวทนาเท่ากับความพอใจไม่พอใจเฉยเฉยสัญญาเท่ากับความจำได้หมายรู้สังขารหมายถึงอะไรคะความปรุงแต่งสังขารเป็นคำ <c oughs> เป็นคำที่กว้างมากความปรุงแต่งนะก็จำแค่สั้นๆผู้หญ้าบอกความปรุงแต่ง จะเป็นความพิจปรุงแต่งกายสังขารกายปรุงแต่งอะไรก็การปรุงแต่งนั้นนะสังขารปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งตัวมันเองด้วยปรุงแต่งสังขาร้วยความเป็นสังขารนะมันปรุงแต่งหมดหมดเลยทุกเรื่องนะมีส hmm> ังขารมีคำสามคํานะคะกามพยาบาท และเบียดเบียนสองคำแรกพอเข้าใจได้ขอทราบเบียดเบียนหมายถึงอะไรคะเบียดเบียนเหรอหมายถึงอะไรบ้างคะ่ะไม่เคยไปตําหนิคน อ, อื่นบ้างไงนีนี่นั่นะเบียดเบียนเขาทางวาจาเนะ น, นีไม่เคยไปผลักคนอื่นก็เคยบ้างไหมไปตีคนอื่นไปว่าว่าคนอื่นนั่นน่ะเบียดเบียนเบียดเบียนทางกายเบียดเบียนทางวาจา พิสูจเงื้อมือให้ประหารกับพิสูจนปรับอาบัติปฏิจตีแค่อีองหนึ่งทำไม่พอใจเนี่ยเงื้อมือจะฟาดเนี่ยปรับอบัติแล้วนะนี่อบัติปฏิจตีนะเห็นนะนี่เบียดเบียนเนี่ยคิดแล้วนี่ออกมาทางกายนี่เห็นนะอ่าสองสเต็ปแล้วนะคิดปุ๊บเชื่อเชื่อปุ๊บทาตามนี่เงื้อมือจะฟาดเข้าไปแล้วนี่เห็นนะเนี่ยเบียดเบียนนะอืม กราบเรียนพระอาจารย์ดังนี้มีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อหนึ่งปวดท้องหิวข้าวมีดบาดเป็นเวทนาในขันห้าหรือไม่ข้อสองเวทนาในขันห้าเราจะระวางได้อย่างไรข้อสามปวดท้องหิวข้าวเราไม่สามารถระวางได้ใช่หรือไม่ข้อสี่ ถ้าไม่สามารถละวางได้แล้วปวดท้องหิวข้าวเราจะทำอย่างไรกับความรู้สึกเรานั้นไปกินข้าวสิผู้เช่าบอกว่ากำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียได้และไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นคืออิบจ น, อ, นอึดอัดหมูที่สุดเลยเน <c oughs> าะาไปกินข้าวหายหิว ท, ทันทีเลยกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียได้ แล้วก็เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอยาิกินจนเต็มกระเพาะนะเหลือไว่นิดหนึ่งให้มันย่อยได้หน่อยนะนั่นแหละคือโพชเนมัตันยุตาบริโภคแต่พอดีนะ <c oughs> นี่เห็นนะกิดที่เธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปคืออะไร เราจะเป็นผู้ประมาณในโพชนาะปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งตัวมันเองด้วยปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขารนีมันะปรุงแต่งหมดหมดเลยทุกเรื่อง น, ะนีสังขารมีคำสามคํานะคะกามพยาบาทและเบียดเบียนสองคำแรกพอเข้าใจได้ ขอทราบเบียดเบียนหมายถึงอะไรคะเบียดเบียนเหรอหมายถึงอะไรบ้างค่ะไม่เคยไปตําหนิคนอื่นบ้างเเนี่ยนั่นน่ะเบียดเบียนเขาทางวาจาน่ะไม่เคยไปผลักคนอื่นไมเคยบ้างไหมไปตีคนอื่นไปว่าว่าคนอื่นนั่นน่ะเบียดเบียนเบียดเบียนทางกายเบียดเบียนทางวาจาภิกษุเงื้อมือให้ประหารกับภิกษุปรับปราปปฏิปติ แอีกองหนึ่งทำไม่พอใจนี่เงื้อมือจะฟาดเนี่ยปรับอาบัตแล้ ว, ลวนะนี่อาบัตประจิตตีนะเห็นนะนี่เบียดเบียนเนี่ยคิดแล้วเนี่ยออกมาทางกายเนี่ยเห็นนะอ่าสองสเต็ปแล้วนะคิดปุ๊บเชื่อเชื่อปุ๊บทาตามเนี่ยเงื้อมือจะฟาดเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นนะเนี่ยเบียดเบียนนะอืมกราบเรียนพระอาจารย์ดังนี้มีทั้งหมดสี่ข้อนะคะข้อหนึ่ง ปวดท้องหิวข้าวมีดบาดเป็นเวทนาในขันห้าหรือไม่ข้อสองเวทนาในขันห้าเราจะละวางได้อย่างไรข้อสปวดท้องหิวข้าวเราไม่สามารถละวางได้ใช่หรือไม่ข้อสถ้าไม่สามารถละวางได้แล้ว ปวดท้องหิวข้าวเราจะทำอย่างไรกับความรู้สึกเหล่านั้นไปกินข้าวสิผู้เช่าบอกว่ากาจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียได้และไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นคืออิจฉจนอึดอัดหนูที่สุดเลยเ <c oughs> นอะอรกินข้าวหายหิว ท, ทันทีเลยกาจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียได้และก็ เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอยาิกินจนเต็มกระเพาะนะเหลือไว้อีกนิดหนึ่งให้มันย่อยได้หน่อยนะนั่นแหละคือโภชเนมัตตัญญุตาบริโภคแต่พอดีนะ <c oughs> นี่เห็นนะกิจที่เธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปคืออะไรเราจะเป็นผู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอนะพินาโดยยยกคายแล้วจริงฉัน ไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อโมเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลําบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เราจะขจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียไม่ทําเวทน า, าใหม่อิ่มจนดึกดืนเนี่ยให้เกิดขึ้นความที่ชีวิตดาเนินไปได้ไม่มีโทษเพราะอาหารความอยู่ภาสุสํารานจักมีแค่เรานะพิกษุทั้งหลายเธอพึงสําเนิกอย่างนี้แหละนี่สอนพิสุเห็นไหมลาเข้ามาสอนโยมบ้างนะ เ, เรียนพระอาจารย์คะคําว่าวิตกในฌานจิตกับวิตกจริตต่างกันอย่างไรช่วยอธิบายและยกตัวอย่างด้วยนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณ <c oughs> ท่านมากคะ่ะวิตกจริตพวกฟุ้งซ่านคืออุทจจะอุทจจกุกุจจะคือวิตตกจริตนนะ่ะที่เราพูดพูดกันนะ่ะ คือมันฟุ้งไปในเรื่องอกุศลคิดในเรื่องงานเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องครอบครัวเรื่องย่าเรื่องติป่าถาพวกนี้นี่อันนี้คือวิตกเจริญหรืออุทธจักกุกุจักพวกนี้ขวางกั้นความสงบของจิตนะแต่วิตกวิจารณ์เป็นความคิดกุศลเช่นคิดเรื่องอสุภะขึ้นมาคิดเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลคิดเรื่องปฏิจจสุบาทวิตกขึ้นมาแล้ววิจารณต่อไปปฏิจจเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะ อันนี้มันเป็นส่วนประกอบแห่งวิชาแต่อันนั้นมันเป็นส่วนประกอบแห่งอวิชานิวอนห้าเป็นอาหารของอวิชามันทำอวิชาให้เจริญงอกงามยิ่งฝังแน่นยิ่งลึกเข้าไปแต่อันนี้เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาอวิชาจะจางคลายวิชาจะเกิดขึ้นมันคนละส่วนกันเลยนะมีคาถามเกี่ยวกับเรื่องศีล น, นะครับการที่คนเราทาผิดศีลข้อเดียวอย่างสม่าเสมอ แต่ว่าไม่ผิดศีลอื่นเลยกับคนที่ทําผิดศีล ท, ทุกข้ออย่างไหนจะปาปกว่ากันโอ้ยพวกสม่ำเสมอนี่นรกแน่นอนเลยสงสัยเพราะพระพุทธเจ้าตัดาาไว้ข้อเดียวก็นรกแล้วอ่ะปาณาติบาตอันบุคคลก็ทําไม่มากจะเลยในะมากย่อมเป็นไปเพื่ออะไรนรกกําเนรเดชานเป็นวิสัยข้อเดียวก็โดนแล้วนะอืมส่วนนิบาดอย่างเบาของผู้ทําปานาติบาตคือ เป็นไปเพื่ออายุสั้นของผู้ทํามันทินนาทานเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากโภคะของผู้กระทําการเมสุนิชฌ า, านเป็นไปเพื่อการเก่อเวรด้วยศัตรูของผู้ทาํามนะุสาวาณเนี่ยเป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยคาไม่จริงจะถูกใส่ร้ายเรื่อยๆนะของสุลาเป็นไปเพื่อวิปลาณนะอันนี้คือวิบากอย่างเบานะถ้าหนักนี่เหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ละข้อนระกกมลเดชานไปพิสัยนะ ยิ่งสม่ำเสมอนี่ชัวแน่เลยนะสินข้อหกที่วิการะโชนานะครับขอพระจารย์อธิบายอย่างนมเป็นส่วนผสมของมอรหรือคอฟิเมลเนี่ยจะทานได้หรือไม่และน้ำผลไม้ที่ผลใหญ่กว่ามบลูมะพร้าวจะทานได้หรือไม่ นมจัดเป็นอาหารผู้หญิงจัดเป็นอาหารเฉนั้นถ้าภิกษุชั้นนมนะก็จัดว่าชันอาหารลองไปดูในสิกขาบทหนึ่งภิกษุใดไม่อาพาธขอโพชนัณนปลาณีเห็นปราณนี้ น, นะคือในสายในค้นน้ำมันน้ำพึงน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมคน้นเพื่อประโยชน์ตนแล้วฉันเป็นประชิตตินั่นก็อันหนึ่ง หรือ อ, อันหนึ่งก็คือเรื่องของ <c oughs> อไม่ใช่ผู้อาพาธนะจะมีข้อหนึ่งที่พระ อ, องค์จะแบ่งอาหารเนี่ยนะก็คือส่วนของนมเนี่ยนะแล้วก็นมส้มคือนมเปรี้ยวเนี่ยจัดเป็นกลุ่มของอาหารด้วยส่วนในสายในค้นน้ำมันน้ำพุน้ำอ้อยตัวนี้เป็นสัตหการิกของกลืนเรื่องลำคอจะมีสี่อย่างหนึ่งยาวชีวิตนะนี่คืออาหาร อาหารที่ <c oughs> จะประกอบด้วยข้าว <c oughs> เนื้อปลานมนมเปรี้ยวพวกนี้อาหารจะมีในสิขาบทปฏิโมกข อ, อกอยู่ <c oughs> อย่างที่สองยามะกาลิก ค, คือน้ำที่คั้นจากผลไม้นะลูกไม้ใบไม้ได้อย่างที่สามสัตหกาลิกสัตตาคือเจ็ดหมายถึงสิ่งที่รับประทานมาแล้วเก็บไว้ได้เจ็ดวันเพื่อเป็นยา จะมีห้าอย่างเนยใสในข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้ํา้อยนี่คือขอ ง, ของกลืนม่วงลําคอที่ฉันได้ตลอดเวลานี่ยามกาลิกน้ำบรรณก็ฉันได้ตลอดเวลาแต่มีอายุช่วยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งน้ะนะําบรรณอรุณขึ้นปุ๊บฉันนึกหมดก็ต้องสละออกฉันต่อไม่ได้ปรับประบัติสตาการิคเก็บไว้ได้เจวันถ้าวันที่แปฉันปรประบัติส่วนอย่างที่สี่ยาวชีวิทยาตลอดชีพ ส่วนของต้นไม้ทั้งหมดรากใบดอกผลมเมล็ดเปลือกแก่นทานได้เลยเอาใบไม้มาเคี้ยวทานได้นะสมอมาขามป้อมพวกนี้นะได้ผลไม้เป็นยาขอให้ใช้เป็นยาได้หมดนะ <c oughs> นี่คือของกลินล่วงลำคอสี่อย่างที่พูะเจ้าบัญญัติเอาไว้นะส่วนในคำถามที่สองถามว่าน้ำผลไม้ที่ใหญ่กว่าอะไรผลมะพร้าวอะไรนี่นะ อันนั้นมันสาวกแต่งขึ้นใหญ่ว่าผลมะตูมบ้างมะพร้าวบ้างแต่ผู้เจ้าตัดอย่างไรไปดูพร้อมตัดว่า <c oughs> ทรงอนุญาตน้ําจากผลไม้ทุกชนิดนะเว้นแต่รถแห่งทัญญผลทัญพลังนะธัญพลังมีอะไรบ้างสาลีข้าวสาลีวิหิข้าวเจ้ายัโวข้าวเหนียวโคทุโนข้าวละมานตังคูข้าวฟ่างวั วารโกลูกเดือยกุลดูสโกย่ากับแกนะ่นี่คือธั ญ, ญพลังหรือธั ญ, ญผลนะที่พู้เจ้าไม่ใช้เป็นน้ำผลไม้ส่วนที่ห้ามจากมหาผลก้าวคือตานมะพร้าวผลขนุนขนุนสัมปลอวกฟักเขียวไรเนี่ยเป็นส่วนแห่งอัตกาถาก็คือสาวกภาสิตานั่นเองเพราะนั้นคำที่สาวกประดิษฐ์ขึ้นภาสิขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจ อย่าเงี้ยวหูลงฟังอย่าตั้งจิตเพืจะรู้ทู่ถึงอย่าสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียนนั้นเราก็ใช้น้ำจากผลไม้ทุกชนิดได้หมดนะ <c oughs> มาถึงบทสวดบนนะครับเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะคําว่าจารณะหมายความว่าอะไรครับจารณะหมายถึงการดำเนินไปแล้วด้วยดีนะถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะปฏิบัตเครื่องดาเนินไปนะ การดำเนินไปด้วยดีด้วยปฏิปทาด้วยมักมีองค์8นะหรือคือพรมจันทร์ที่พระองค์บัญญัติเอาไว้นะคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษหมายความว่าอะไร4คู่คือ 1. โสดาบันสกาธาคามีอนาคามีพระลาหนนะ8บุรุษก็คือโสดาบันจะแบ่งเป็นสอง สก 2, 2, 2, 1, ัดสอหมดนะสองสดโซดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกัดทาคามิมักสกัดทาคามิผลมักคือกำลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นโซดาผลก็คือได้ผลของโซดาบันแล้วเข้าไปสู่ความเป็นสกัทาคามีและได้ผลของสกัดทาคามีขยับไปสู่เส้นทางของอนาคตาและได้สุดปลายทางของอนาคตขยับเข้าไปสู่เส้นทางของพระหลาน เราได้ผลของพระอรน <c oughs> บางทีไดอนาคามีแล้วไม่ใช่ว่าจะได้อนาตรรมักอาจจะแช่อนาคามียันตายก็ได้เพราะว่าหาวิธีเดินต่อไม่เจอเพราะฉะนั้นจึงต้องแบ่งเป็นมักกผลมักกผลมักกผ ล, กผลนะนี่คือแปดบุรุษอืคําถามว่าการที่เราจะบรรลุอรหันต์จะต้องมีบุญเก่าที่สร้างมา ก่อนในชาติตอนก่อนหรือมาสร้างเอาในชาตินี้อย่าไปสนใจเรื่องเรื่องบุญเก่าของเก่าวซึ่งไม่มีใครทราบนะไม่มีใครทราบความยิ่งและหย่อ น, นแห่งอินทรีย์ของบุคคลหรือแม้แต่ตัวเองเพราะยานในเรื่องนี้เป็นหนึ่งในทศปกยานของพระตถ า, าคตซึ่งไม่มีในสาวกยานในการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคล เพราะนั้นไม่มีใครพยากรตรงนี้ได้หรอกนะคนพยากรเนี่ย <c oughs> ประเมินเอานะ <c oughs> การดักใจคนเนี่ยพรเจ้าบอกมันมีสี่อย่างนะนั้นดักด้วยนิมิตนะด้วยฟังเสียงละเมอนะด้วยการที่เข้าจารสมาบัติได้ก็มีเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าสาวกเนี่ยจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมด เหตุผลที่ทำให้สาวกรู้ไม่ได้เพราะยานอย่างรู้ของสาวกมีขีดจำกัดมีอรันตัสัมมาสัมพุทธองค์เดียวเท่านั้นที่ยานอย่างรู้ไม่มีขีดจำกัดผู้ชาบอกสาวกบางคนเนี่ยถอยไปได้แสนชาติถอยไปได้หนึ่งกับหนึ่งสังวัตกับหนึ่งวัฏตกัปแล้วก็มาพยากรเลยกว่านั้นเขาไม่รู้การพยากรเขาจึงมีข้อผิดพลาดไดนะ้นั้นตรงเนี้ยคือ ความไม่สามารถของสาวกผู้เจ้าจึงบอกพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่พยากรเป็นหนึ่งไม่มีสอง <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างอยู่คนที่พระมหาโกติตาไงที่ไปพยากร์จิตตาติสารีบุตรว่ามีสมาธิขั้นนี้ขั้นนี้แล้วต่อไปจะศึกเป็นคราวาสภิกษุก็เลยไปถามผู้เจ้าผู้เจ้าบอกอ๋อไม่หรอก ต่อไปจิตตาทีสารลยบุตรจะระลึกถึงคุณแห่งเนคขมาได้แล้วกลับมาบวชปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งสําเร็จเป็นพระหลานนั้นนี่คือความยานอย่างรู้ที่ไม่สุดแล้วก็เที่ยวมาพยากรณ น, นั้นจึงเห็นว่าจะไม่ค่อยมีพระในครั้งกุศการที่จะกล้าพยากรณ อ, อะไรเพราะผู้เจ้าเท่านั้นที่ไม่พลาดที่เหลือเนี่ยพลาดได้หมดน่ะ มีมคำถามเขมเกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตภาวะจิตของบุตุชนกับพระรยาบุคคลนะครับขอพระการทุกเทียบเรื่องของจิตของพระอรหรัานต์พระนาคาพระสกิทาและพระโสดาและบุตุชนการการที่ประการจิตเหล่านี้ <c oughs> ใช้เวลามาของพระศาสดา อย่างปุตุชนเนี่ยกับโสดาบันเนี่ยผู้เจ้าบอกอย่างนี้ว่าพระองค์เอาเล็บเนี่ยเคี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าเศษดินที่ปลายเล็บของพระองค์กับเศษดินในมหาปฏาปีกับพื้นดินในมหาปฏาีอันไหนมากกว่ากันก็บอกมหาปฏาปีมากกว่าเยอะบอกนี่แหละความทุกข์ของพระโสดาบันเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บความทุกข์ของปุตุชนเทียบเท่ากับมหาปฏาปี ต่างกันเยอะมากนะสซดาวันเหลือนิดเดียวแต่นิดเดียวนี้ก็ยังเยอะนะก็ยังมีอีกเยอะมากที่ต้องละนะส่วนสกาธาคามีกับพระสซดาบันนั้นละสังโยชน์สามได้เท่ากันต่างกันตรงที่ว่าราคาโทสะโมหะของสกาธาคามีนั้นเบาบางลงไปนะส่วนานาคามีนั้น ให้ไปวัดที่คุณสมบัติของนาคามีคือสังโยชน์ห้าสังโยชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีตัวสังโยชน์ห้าคืออะไรนะสามตัวแรกเนี่ยเหมือนโสดาบันคือสักยะทิฏฐิมิจฉิคิจฉาสีะระพตปรามาสอีกสองตัวที่นาคามีแล้วได้คือกามราคากับพยาบัต กรรมราคา ก, กับพยาบาทนี้มาในช่องทางอายยตนะใดของกายห้าทางนั่นคื อ, อนาคามีบุคคลละความพอใจไม่พอใจอันเกิดจากอายยตนะห้าได้เด็ดขาดนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายเกิดพอใจไม่พอใจนาคามีวางได้ทันทียูเบขาได้แต่ทางใจยังวางไม่ได้ นี่อนาคามีส่วนพระหาานั้นวางได้หมดล่าสังโยตได้สิบวางในส่วนของจิตได้ทั้งหมดอันนี้ก็ต้องพูดโดยคุณสมบัติไม่งั้นก็จะเทียบอะไรกันไม่ได้ไม่มีวิธีเทียบ ก, ก่อจะมีจิตดวงสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจถ้าคิดดีก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีแม้ว่าจะทำชั่วทำบาปไว้จริงหรือไม่ สามารถเลือกเกิดในคันได้หรือไม่ไม่ทราบว่าท่านยมทูตมานำพาไปหรือเปล่าไม่มีใครนำพาไปตัญหาเป็นตัวพาไปที่พระเจ้าจัดตอบประวัต ช, ชาไนงะวัชชาถา ม, ม่าเมื่อกายนี้แต่คำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระเจ้าบอกวัชชาตันหาเป็นเชื้อของการได้กายใหม่ เป็นเหตุในการนำาพาไปไม่ใช่บอกยมบปปาลเป็นเชื้อของการได้ไกลใหม่ไม่มีน ะ, ะเพราะฉะนั้นตัวสัรณรกพวกนี้ก็คือเราไปเกิดในนั้นแล้วนก็ะจะไปเจอพวกยมบปปาลเจออะไรต่ออะไรอยู่ในระบบพอแล้วนั้นไปสร้างการเกิดแล้วแต่ก่อนจะไปเกิดเนี่ยจังหวะที่จะไปได้พบใดเนี่ยถามว่าอะไรเป็นตัวพาเราไปตัณหาเป็นตัวพาเราไปนั้นเราเป็นคนเลือกเอง ว่าขายไม่ได้หรอกนะต้องว่าตัวเองนะนั้นตรงนี้พระองค์จึงให้เราฝึกจิตให้ดีไงะนะฝึกให้ดีอย่าให้วิญญาณขันไปตั้งอยู่กับอกุศลตั้งแล้วต้องละให้เร็วเร็วขนาดไหนต้องใช้ความเพียรทุกอย่างเธอต้องใช้ฉันทะความปอใจวายามะความเพียรอุสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียร อ, อ, อย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับ สติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่ ว, ดวนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผลงเสื้อผ้านะหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะก็ต้องใช้ฉันทาวายามาอุสาหอุโสลหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับนั้นเสียโดยด่ ว, ดวนนะอย่างเดียวกันนะพระเจ้าจตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่าเลี้ยงอกุศลเอาไว้อย่าไปพอใจมันอย่าให้มีสัญญค่ะ คือจิตผูกกับอารมณ์เดิมหน้านแห่งความเปลินธรรมนันทิเนี่ยธรรมะคือเปลินเนี่ยมันลากเราให้ปิดอารมณ์ไปเรื่อยๆนะรีบละซะอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวกับพระอนลถึงอนุสติฐานที่หกที่ก้าวไปข้างหน้าก้าวถอยหลังอนุสติห้าฐานแรกเมียอะไรบ้างครับเออ ห้าฐานแรกลงไปดูห้าฐานแรก <c oughs> การเข้าชานหนึ่งสองสามนี่ <c oughs> การพิณาสุภาษ น, นี่การเข้าชานหนึ่งสองสามนี่เรียกว่าเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏ ธ, ธรรม อธิษฐานซึ่งอาโลกสัญญาความสว่างนะอันที่สามอันที่สามเนี่ยเป็นอสุภะนะอนสุภะอันนี้ในในภายในคือตัวเราอีกอันจะเป็นอสุภะในภายนอกเห็นสรางศพในรูปแบบต่างๆนะต่อไปจะเป็นเรื่องของการเข้าชา้นที่สี่จตุจักชานอันนี้จะแยกจตุจักรชานออกมาต่างหากนะ เหล่านี้แลฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติห้าอย่างพู้เจ้าจึงให้จำอย่างที่หกคือสติอธิษฐานการงานนั้นถ้าเรารู้อยู่กับการงานที่ทำในปัจจุบันอนุสติที่หกมีสติก้าวไปถอยกลับยืนอยู่นั่งอยู่สำเร็จการนอนอยู่สติอธิษฐานการงานนี้เป็นที่ตั้งแห่งอนุสติ ซึ่งเมื่อบุคคลจเจริญกระทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะหนทางเข้าถึงวิมุตห้าประการการฟังธรรมก็บรรลุธรรมในขณะฟังได้นั้นการฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องสําคัญเข้าวิมุตได้การแสดงธรรมก็เข้าวิบูตได้ พิกสุยังไม่สามารถเข้าถึงวิมุตต์แต่ถ้าแสดงธรรมเรื่อยๆก็เข้าวิมุตต์ได้ในขนาดแสดงธรรมโดยแสดงธรรมทั้งกับพิสุแล้วก็แยกเป็นแสดงธรรมกับฆราวาสนะนั้นอันแรกแสดงธรรมแก่พิสูเข้าวิมุตต์ได้แสดงธรรมแก่ฆราวาสเข้าวิมุตต์ได้ฟังธรรมเข้าวิมุตต์ได้สาธยายนธรรมเข้าวิมุตต์ได้นะคิดตริตตรในธรรมเข้าวิมุตต์ได้เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่เข้าวิมุตต์ได้ นี่คือหนทางเข้าสู่วิมุตต์นั้นทุกทางเป็นข้อปฏิบัติหมดถ้าเราใช้ประโยชน์นั้นบางคนก็ไม่ทราบก็จะบางทีมาตําหนิการฟังธรรมตําหนิการแสดงธรรมบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วถ้าทุกอย่างใช้เป็นอย่างที่พระศาสดาบัญญัติเป็นหนทางเข้าสู่วิมุตต์ได้ทั้งหมดนั้นการแสดงธรรมนั้นจะต้อง พระองค์บอกว่าในขณะที่ผู้แสดงเนี่ยซึ่งแสดงด้วยพุทธวจนะจะเกิดความเข้าใจในธรรมไปด้วยจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นบรรลุธรรมไดน้นี่คืออาการที่จิตมันจะเดินไปตามลําดับในขณะที่ฟังธรรมก็ตามแสดงธรรมก็ตามสาธยายธรรมก็ตามคิดติดตรึกในธรรมก็ตามเข้าชาญหนึ่งสองสามสี่ก็ตามะเป็นอย่างนี้ กรารเป็นถามพระอาจารย์การให้ทานมีส่วนช่วยให้เราบรรลุมรรคผลได้อย่างไรหรือเพียงแค่ศีลกับภาวนาก็พอแล้วการอะไรให้ทานเหรการให้ทานอ๋อการให้ทานมีส่วนช่วยในการให้บรรลุมรรคผลได้อย่างไรมีเพราะการให้ทานของอริยบุคคลนั้นจะเป็นไปเพื่อการละความตรนีนะพระองค์บอกว่าจิตที่ตรณีเกินไปยากที่จะเข้ามรรคผล เรากําลังจะต้องพิจารณาว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่นี่ก็ของเราของเราของเราของเราหมดเลยแล้วมันจะว่ากายนี้ไม่ใช่เราได้ไงเพราะของเรามันเริ่มมาจากกายของเราจึงมีของของเราเพราะฉะนั้นถ้าของของเราเอาออกไม่ได้กายของเราก็ออกไม่ได้เหมือนกันออกยากมันออกยากอย่างนี้จึงต้องมีการสละตามกําลังนะอย่าให้ตนเองเดือดร้อนการสลัดตามกําลังพระเจ้าจึงแบ่งการสลัดซัพย์เป็นสี่ฐานะหนึ่ง เลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรซะก่อน 2. ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย3แบ่งปันให้กับสังคมสงเคราะห์ญาติมิตรนะเปตะลีเทวตาพลีนะยาติปลีราชพลีช่วยชาตนะอย่างสุดท้ายให้แก่สมณพราหมู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกนะฐานะนี้ ถ้าพับหมดไปผู้เจ้าบอกให้สบายใจเถิดว่าทรับหมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วน ะ, ะไม่ต้องกงังวลเดี๋ยวว่ า, างไงนะเห็นจะถามหลุดพ้นได้เลอ่าอ่า ก็ถ้าอยู่ตำแหน่งนั้นได้จริงๆริยมได้พระรหันแน่นอนนะนั้นมันจะอยู่ตำแหน่งนั้นไม่ได้สิมันจะคอยหลุดไปเรื่อยพระเจ้าจึงให้เอาจิตมาอยู่กับกายจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตถ้ายมอยู่ตรงนั้นได้จริงๆการที่วิญญาณไปสร้างอีกสามภพก็จะไม่มีขึ้นวิญญาณจริงจะมาเกาะรูปอย่างเดียวเมื่อเกาะรูปอย่างเดียวนั้นเมื่อรูปแตกทําลายปั๊บเนี่ยวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้พระเจ้าอธิบายอย่างนี้ มันจึงหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามอีกสามตัวไดนะ้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวพรนะเจ้อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนจนหลุดเลยละเอียดมากอาตมาไม่เคยเห็นสาวกคนใดอธิบายได้อย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะอเนี่ยตัวนี้ประเสริฐนี้ ถ้าราคาในรูปธาตุราคาคือความพอใจในรูปาธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิุละได้แล้วถ้าโยมละความพอใจในขันธ์ขันธ์ได้หมดจริงๆนะเพราะละราคาคือความพอใจได้อารมณ์สําหรับวิ ญ, ญญาณก็ขาดลงนะสี่ธาตุนี้เป็นอารมณ์ของวิ ญ, ญญาณนะถ้าเราละความพอใจได้เนะี่ยอารมณ์ที่วิ ญ, ญญาณจะไปเกาะมันก็จะขาดลง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 กิจที่ควรทำเนี่ยได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นๆที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้คือความพ้นจากความตายไม่ได้มีอีกแล้วนะครับเป็นคําถามเรื่องของการสังคยนาพระไตรปิฎกนะครับทั้งแรกโดยอันมหากรสปะนั้นมีเงื่อนไขว่าพระาราหันที่จะเข้าร่วมสังคยนาต้องเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ใช่หรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่าพระรหันบางองค์ก็ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ได้ใช่หรือไม่อ๋อก็ประเด็นนี้ก็คือไม่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตรัสรวายเพราะว่าถ้าเรื่องสังเกตนาแล้วก็คือไม่ใช่พุทธวจนะละนะก็เป็นคําสาวกละวนะอืเป็นไปได้หรือว่ า, วาการถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้จากการทรงจําอย่างเดียวแต่พระรหันเหล่านั้นใช้ยานอย่างรู้อดีต <c oughs> ในการบอกกล่าวพุทธวัฒนะด้วยไม่มีไม่มีตัวอย่างเลยแม้ในครั้งวิเาการสมัยที่ <c oughs> สมัยที่อยู่ผู้เจ้าอยู่ก็เหมือนกันไม่มีการใช้ยานอย่างรูน้นในบทพันะหรือคำสั่งนะนั้นจะมีพระอรหันต์หลายรูปที่จะให้ใช้อิทธิปฏิหารจะบอกว่าผู้เจ้าก็รู้นะแล้วไม่พูด ผู้เจ้าไม่ให้นะอย่างเช่นพระโมคคัลลานะจะใช้ฤทธิ์แก้ปัญหาผู้เจ้าบอกโมคคัลลานะไม่ได้แล้วภิกษุผู้ไม่มีฤทธิ์จะทํำยังไงต้องบัญญัติออกมาเป็นคําพูดนะหรือพระทัพพะเนี่ยถูกโจทย์ว่าไปข่มขืนภิกษุณีรูปหนึ่งนะซึ่งพระทัพพะเป็นพระละหันนะแต่ถูกแกล้งผู้เจ้าเรียกมาสอบบอกพระทัพพระทัพพระทํ า, าทจริงหรือเปล่าพระทัพพะบอกว่าไง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจะให้ผู้เจ้าใช้ยานอย่างรู้เนะี่ยผู้เจ้าก็บอกทัพพระทำจริงหรือเปล่าถามครั้งที่สองพระ้าก็บอกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสราบไม่ตอบอีกนะผู้เจ้าถามครั้งที่สามก็ไม่ยอมตอบผู้เจ้าถามครั้งที่สี่เราจะได้เห็นการโต้อตอบระหว่างพระอรหันต์กับพระอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะอา้าวเจอแล้วทำยังไงดีนะ <c oughs> ผู้เจ้าถามครั้งที่สี่บอกว่าทัพพระ บัณฑิตย่อไม่กล่าวแก้ข้อกล่าวหาเช่นนั้นถ้าทําจงตอบว่าทําถ้าไม่ทําจงตอบว่าไม่ทําต้องพูดออกมาโดยโบทพิษะนะเห็นไหมไม่มาใช้ยานอย่างรู้จิตเอาจิตมาพูดแล้วจะรู้เรื่องได้ยังไงนะเพราะฉนั้นะนะนะนะพระทพพะเมื่อถูกพูดอย่างนี้ทัาพระตอบตรงๆไหมนะพระทัพพะก็มีมุมตอบอีกนะไม่ยอมตอบว่าทําหรือไม่ทําแต่บอกว่าแม้แต่โดยความฝานันข้าพระองค์ยังไม่เคยเสพกาม นะผู้เจ้าฟังปุ๊บแสดงว่ารับรองคำพูดของปราทับพาร์แล้วจึงฟันธงสั่งศึกนางเมตยาภิกษุณีนะแสดงว่าผู้เจ้าชี้ความผิดแล้วเมื่อพระองค์ชี้ความผิดลงโทษแสดงว่าพอใจในคำพูดของปราทับพารซึ่งเราจะได้คำตอบอะไร <c oughs> เราจะได้คำตอบตรงนี้ก็คือในปัจจุบันมีการถกกันว่าพระหลานฝันหรือเปล่า นะ ท, ท่านพุทธทานบอกว่าพระลานไม่ฝันลูกศิษย์ท่านพุทธทก็เลยไปโต้กับลูกศิษย์ของหลวงตามหาพัวเพราะหลวงตามหาพัวบอกพระลานฝันอืมเงาแ ล, แล้วทั้งสองลูกก็ต้องไปโต้กับอาจารย์ชาเพราะอาจารย์ชาบอกว่าพระรานฝันน้อยที่สุดสามความเห็นตกลงยมจะฟันธงของใครดีนะเอาศรัทธามาเป็นเครื่องวัด เอาหมู่คณะมากมาเป็นเครื่องวัดหรือเอาลูกศิษย์มากมาเป็นเครื่องวัดหรือจะเอาคําของลัคนาสัมมาสัมพุทธะมาเป็นเครื่องวัดผู้เจ้าให้เอาคําของตถาคตนะเะนั้นเราก็สืบค้นว่าเออผู้เจ้าตอบไปตรงไหนไม่มีที่ผู้เจ้าตอบไปแต่มีการที่ผู้เจ้ารับรองคําของพระอหรหันต์รูปนั้นโดยการสั่งศึกนางเมธยาภิษณีคือตัดสินเมื่อตัดสินก็แสดงว่ารับรองว่าท่านพูดถูก พอไม่งั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ยังคุมเครือนั่นแสดงว่าพระท้าพ้าบอกว่าแม้โดยความฝันแสดงว่าท่านฝันแต่พระองค์ไม่ฝันท่านไม่ฝันเสพกามนั่นเองผู้ย่ากฝันทองเลยนี่เราก็ได้คําตอบแล้วว่าพระสารเนี่ยฝันแต่ไม่ฝันเสพกามตามที่พระทัาปพ้ พ, พูดเห็นไหมแกะจากพุทธวจนะโย่บางทีเป็นการพูดของสาวกแต่ผู้จ้าเนี่ยรับรองการรับรองมีหลายลักษณะ รับรองด้วยการพูดทวนทุกคําเช่นสารีบุตรใครกันนะคือโสตบันพระสารีบุตรบอกว่าข้าพงศ์เห็นว่าผู้ปฏิบัติตามอริยมกุลแปดมีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นที่ว่าโสตบันผู้เจ้าผู้ทวนคำพูดของพระสารีบุตรหมดบอกเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่ถ้าสาวบกพูดสั้นๆถ้าพูดยาวอย่างพระหมหาการจัดกัดจายณนะที่ผู้เจ้ากัดสั้นๆว่าวิญญาณอย่าฟุ้งไปในภายนอก อย่าให้ตั้งสยบอยู่ในภายในภิกษุไม่เข้าใจก็ไปถามพระมหากัจจานะกัจจานะอธิบายเสยาวเลยแล้วภิกษุก็ยังไม่ได้เชื่อเพราะพระมหากัจจานะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะที่ตัวเองพูดทั้งทั้งที่ท่านเป็นประหลานแล้วผู้เจ้าชมว่าเป็นผู้เลิศในด้านการขยายคำผู้เจ้าก็ยังไม่กล้ารับรองคำพูดตัวเองก็บอกภิกษุให้ไปถามผู้เจ้าก่อนภิกษุทั้งหลายจึงไปถามผู้เจ้าอีกทีหนึ่งผู้เจ้าบอกว่าเออ ถ้าพระ อ, องค์อธิบายก็จะ อ, อธิบายเหมือนกับจานะอธิบายเหมือนกันสแสดงว่ารับรองแล้วทุกคนก็จะทรงจําเสมือนหนึ่งคำพระเจา้านี่ก็เป็นการรับรองอีกอันหนึ่งนะการรับรองอีกแบบก็คือก็คือการไม่ <c oughs> ไม่ปฏิเสธนะเช่นว่าเข้าไปหาพิสุกกลุ่มหนึ่งเออพวกเธออยู่กันยังไงสบายดีหรือเปล่าสบายดีทะเลาะ ก, กันบ้างไหมไม่ทะเลาะ ก, กันเลยเหตุใดจึงไม่ทะเลาะ ก, กันรูปหึก็ตอบว่า ข้าพราะองค์เก็บจิตข้าพราะองค์ไว้ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่าอื่นอืมพุทเจ้าบอกอใช้ได้ดนีนี่ท่วานรับรองแล้วอย่างนี้นั้นการรับรองมีหลายลักษณะนั้นถ้าพระองค์รับรองคำพูดใครคำนั้นก็เสมือนหนึ่งคำพระตราคตแม้แต่ปริพาชกบางคนก็พูดมาแล้วเป็นสัจจเหมือนกันผู้ทเจ้ารับรอง <c oughs> <c oughs> เช่นปริพาชกคนหนึ่งเขาพูดว่า เขาเห็นว่าศินอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดสิลอยู่ที่นั่นผู้มีสิลย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีสินผู้เจ้าผู้ทูลคาพูดป ร, ริพาชกคนนี้ทุกคําเลยต <ot> าตาคตก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันอ่าปริพาชกคนนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เทวดามาเหมือนกันมาท่ามกลางที่ประชุมสง์ผู้เจ้าเป็นประมุขอยู่แล้วก็ผูพ้พูดไป ถ้าผู้เจ้าไม่รับรองก็ไม่มีใครสนใจคําเทวดานั้นปล่อยไปแต่ถ้าผู้พูดไปแล้วปุ๊บหลีกไปปับ๊บผู้เจ้าบอกจําไวนะ้นะนคํานี้เป็นเบื้องต้นแห่งปรหมจรรย์ทุกคนจะทรงจําปุ๊บเช่นตายนาคาถานะคําพูดของตายนาเทพประบุตนะิผู้เจ้าสั่งให้ทรงจํานี่เป็นเบื้องต้นแห่งปรหมจรรย์ต้องรอผู้เจ้ารับรองทุกการนะนั้นไม่ใช่ใครพูดอะไรมาเราเชื่อนะไม่ใช่ แม้แต่พระซึ่งเป็นสมณะสักยปุติยะพูดมาแล้วเนี่ยผู้เจ้ายังบอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านจำให้ดีก็พูดอะไรแล้วเอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนนะเพราะยมจะไปที่ไหนก็ไปได้แต่ยอมอย่าเพิ่งรับรองและคัดค้านคำพูดเขาเอาไปตรวจในโปรแกรมแผนนี้ซะก่อนนะตอนนี้ทมวินัยคือาศาสดาแทนต่อไป ทุกคนมีข้อมูลเท่ากันแล้วในมือนะอยู่ที่ใครสืบค้นเก่งขยันสืบค้นทุกคนก็จะมีปรมิความรู้นะส่วนการปฏิบัตินั้นก็ตามกำลังความสามารถใครก็ขยันก็ได้โสดาสกิตาคานาคาปราหันไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละคนนะอืมนี่ก็เป็นอย่างนี้นะความฝันก็คือการจิตเข้าไปคิดในตอนหลับถูกต้องหรือไม่ นั่นส่วนหนึ่งผู้ย่าเรื่องบัญญัติเรื่องความฝันมีหลายเหตุปัจจัยนะเทพนิมิตก็มีนะท่านในกายกําเริบพวกกินมากนะลายฝันฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะอคิดตรีตึกไปก็มีนะมีหลายเหตุปัจจัยตรง น, นี้ในอริวินัยจะระบุเอาไว้เรื่องเหตุปัจจัยของความฝันนมีคําถามเกี่ยวกับอ พระไตรปิฎกของไทยกับของพ ม, อม่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าเนื้อหาหรือพระสูตรบางพระสูตรจะสูญหายไปทําให้พระไตรปิฎกของไทยกับของพมา่าที่มีความแตกต่างกันการสูญหายไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุของความแตกต่างนะคำพระเจ้าเนี่ยจะเรียงร้อยกันหมดหายปั๊มเนี่ยปะได้ปะผูได้ หยิบตรงนู้นมาตอนนี้มันจะเรียงร้อยกันจะไม่มีการขัดแย้งกันนะการหายไปไม่ได้ทำให้เกิดการขัดแยง้งแต่เป็นการหายไปของคำพูดเฉยๆนะซึ่งถ้าเอาอีกอันนึงมาเสริมปั๊บเนี่ยจะสมบูรณ์เช่น <c oughs> อริสัต์จากพระโอษฐ์ภาคปลายของท่านพู้ทานที่บอกว่าเราเปล่าความสิน้นอาสวะพร่อยใส ปะตมชาญบ้างทุติยชาญบ้าง ต, ตัตยชาญบ้างจตุจชาญบ้างอากาสานันจายยนาา ญ, ญานนจา ย, ย า, า, า, ญญญายัตนาบ้างวิญญาณันจายัตนาบ้างอากินจัญญาจัตนะบ้างเนวะสัญญาณสัญญาจัตนาบ้างบาลีเสียมรัฐบอกไว้แค่แแต่ของรามันหรือของพอม่าบอกไปถึง9คือสัญญาเวทิตนิโรธแล้วตกลงของใครถูกนะของพอม่ามาถึง9ของไทย มาถึงเนวสัญญานะอาตมาเช็คแล้วมาถึงเก้าแน่นอนเพราะว่าเรามีตัวอย่างพระสูตรที่บาลีสามลัตเองจัดไว้พระตถาคตกลับไว้อธิบายการหลุดพ้นของภาษาลีบุตรนะที่เข้าถึงสัญญาเวทิตนิโรธพระตถาคตเป็นผู้อธิบายเองซึ่งพระสูตรนี้พม่า ก, กับไทยตรงกันนะ นั้นพระสูตรนี้อธิบายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายภาษารลบุตรเข้าชานหนึ่งสองสามสี่อาการสาวิญญาเกินถึงสัญญาเวทิตแล้วภาษารลบุตรมีสติเข้ามีสติออกจากสมาธิทุกขั้นตอนจนถึงสัญญาเวทิตแล้วก็มีความเห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปจิตของสารบุตรจึงหลุดพ้นจากอสวะ นั่นคือภาษารูุ่ดเข้าถึงสัญญาเวทิตตนิโรธแล้วออกจากสมาบัติเข้าสมาบัติแล้วก็เห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรมีสาระถอนอุปทานทั้งหมดจิตจึงหลุดพ้นเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้จึงแสดงให้เห็นว่าตัวสัญญาเวทิตตนิโรธนั้นสามารถใช้ในการหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าพระสูตรนี้ตกสัญญาเวทิตตนิโรธไปเพราะไม่งั้นการ สินอาวะก็จะกลายเป็นสมาธิ่8ดระดับไม่ใช่9้าระดับนี่เราใช้พุทธวจนะมาตอบพุทธวจนะได้และอีกพระสูดหนึ่งพระสาริบุตรเนี่ย พ, พูดธรรมะขึ้นมาให้พระอุทายีฟังว่าคนที่เข้าสัญญาเวทิตตานิโรธได้เนี่ยถ้าออกจากสมาบัติเข้าสมาบัติ สิ่งที่คติที่จะไปได้สองอย่างก็คือ 1. นึ่งพระหลานหรือสองเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งพระอศาศาุทายีคัดค้านภาษาลิบุตรสรอบภาษาลิบุตรบอกงั้นไปพูดต่อหน้าพระเจ้านะก็เลยพากันไปพูดต <c oughs> ่อหน้าพระศาสดาภาษาลิบุตรก็พูดไปอุทายีคัดค้านภาษาลิบุตรพูดอุทายีคัดค้านภาษาลิบุตรพูดอุทายีคัดค้านสมรอบ ผู้เจ้าเฉยภาษาริบุตรเราถูกัดขั้นตั้งสามรอบผู้เจ้ายังเฉยนะงั้นเราเงียบดีกว่านะภาษาริบุตรเลยเงียบผู้เจ้าเงียบไม่มีเหตุผลนะทําไมผู้เจ้าไม่รับรองภาษาริบุตรแต่แรกผู้เจ้านิ่งสักพักหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่าอ้าอุตา ย, ยีถ้างั้นเธอเห็นว่ายังไงนะคนที่เข้าสัญญาเวทีเต็โลดเข้าออกเข้าออก แล้วเขาจะได้อะไรอุทายีก็บอกไปผู้เจ้าอัดเาอาทายีเลยใช่ไม่ได้ ไ, ดไม่ได้เลี่ยงนะไม่รู้เรื่องนะแล้วผู้เจ้าก็ตลบกลับมาบอกพระมหาเสละถูกเบียดเบียน ด, ด้วยคําพูดขนาดนี้ไม่มีใครช่วยเลยเหรอไม่มีใครช่วยพระสารีบุตรเลยเวัะ น, นั้นที่ผู้เจ้านิ่งอะผู้เจ้าดูสิใครจะช่วยลุกขึ้นมาช่วยพระสารีบุตรมันใครจะมีภูมิความรู้ความสามารถม่งนิ่งเงียบไม่รู้เลยนะ แล้วผู้เจ้าก็มารับรองคําพูดภาษาริบุตอีก ท, ทีทีหลังนะเพราะฉะนั้นคติที่ไปของสัญญาเวทีเต็งโลดเราจึงไม่เห็นนะเพราะผู้เจ้าไม่เคยได้ตัดไว้แต่ผู้เจ้ามาตอบตรงการรับรองคําพูดของพภาสาริบุตว่าถ้าไม่หลุดพ้นเป็นพระหลานก็คือไปเกิดในเทพผู้มิลิททางใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งยังไม่ใช่แม้แต่อรีบุคคลขั้นโสดาบันก็หลุดกรอบไปเลย นะนั่นนี่คือกติที่ไปสองทางของคนที่ได้สัญญาวเวทิตันโลดนั้นโดยคําตัดของพระองค์เกี่ยวกับสัญญาวเวทิตันโลดพระองค์จะตัดแต่สินอาสวะตลอดเลยสิ้นอาสวะสินเป็นพระหลานะแต่ภาษารูบุตรฉีกมุมออกไปอีกมุมหนึ่งซึนะ่งพอ่อทายีก็อาจจะได้ฟังจากผู้เจ้าให้ผ hey, ู้เจ้าบอกมีแต่สิ้นอาสวะอุทายีเลยคัดขนันขัดขานตลอดเลยใช่ไหมนะแต่ผู้เจ้ารับรองนะ นี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะนั้นเวลาไม่ตรงกันเนี่ยบาลีสยามรัฐไทยพระม้าไม่ต้องไม่ยากตกลน่นธรรมดาตกได้หล่นได้แน่นอนมีแน่นอนแต่ตรวจได้นะเพราะนั้นสบบวัสดิ์กับรัไม่ตรงกันเนี่ยเอามาเชื่อมกันได้ของใครตกล่นตรงไหนแล้วก็เสริมเข้าไปให้เต็มให้เต็มแต่ต้องใช้พุทธวจนะนะอย่าไปใช้คำสาวกนะมันจะสับสนละงงครับมีสองคำถามเกี่ยวกับเรื่องการ ทำประทมสังคยนาครับที่ว่าพระนรดังดินไปปรากฏที่ประชุมสงกับอีกเรื่องหนึ่งคือพระโมคคัลลานะรวบรวมชิ้นส่วนกระดูกที่ถูกโจรทุบเพื่อไปทูลลาพระพุทธองค์ทั้งสองกรณีนี้ถือว่าผิดพุทธบัญญัติที่ห้ามสงสแสดงนิตหรือไม่ เรื่องของของพระอานุ์นี้เป็นหลังผู้เจ้าปณินิพานแล้วเนี่ยก็ลดระดับความชื่อลงไปเพราะเป็นการพูดของสาวกแล้วก็ทรงจําในระดับชั้นหลังละส่วนเรื่องที่อ อ, อีกอันอะไรนะที่นนดดพระนุนดําดินวาพระนุนดําดินนั้นนั้นเป็นชั้นหลังอีกอันคือระโมคคลานะพระโมคคลาน ะ, ะานะตัวพระโมคคัลลานะเนี่ย อ, อ่ปณิพานช่วงผู้เจ้ายังอยู่นะอืม ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้นี่ยืนยันโดยผู้เจ้าได้นะแต่ตรงนี้ต้องขอกลับไปเช็คอีกทีได้อ่านผ่านเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้ตรวจว่าเป็นพุทธวจนะแท้หรือเปล่าหรือว่าผู้เจ้าเนี่ยรับรองการพูดตรงนี้หรือเปล่านะนั้นต้องกลับไปดูพระสูตรนี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นว่าอันเนี้ยเป็นการทรงจำมาจากพระนนที่เล่าลาดับเป็นลาดับมาหรือเปล่านะนั้นตรงนี้ ช่วยไปตรวจกันอีกทีก็ได้นะเพราะหลายอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนนี่มันก็ติดมาแล้วเราก็ได้ตรวจบ้างไม่ได้ตรวจบ้างนะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าตรวจโดยผู้วันะก็คือพยายามกลับเข้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งนะเราถึงจะได้ได้ความจริงขึ้นมานะมีผู้สงสัยว่ารอยพระพุทธบาทมีการจารึกไว้เป็นหลักฐานหรือไม่อย่างไรและขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่นี้ อรออไม่ยพระพุทธบาทเนี่ยไม่ไม่มีในพุทโทธชนะที่ที่ตัดเอาไว้จะมีเกี่ยวกับรอยพระบาทเนี่ยที่จะมีในมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่จะเป็นส่วนของของสาวกที่พาสิทธิ์ขึ้นนะนั้นตรงนี้ที่เกี่ยวกับคำพูทเจ้าเกี่ยวกับรอยพระบาทเนี่ยไม่ ยังไม่เคยเจอยังไม่ยังไม่ปรากฏแล้วก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะจะเหมือนกับเรื่องของพระธาตุนั้นพระธาตุเนี่ยจะเป็นธาตุที่พระหลานทิ้งแล้วซึ่งเราสามารถนำมาเพื่อใช้เป็นถูปาระหะ บ, บุคคลได้บุคคลผู้ที่บุคคลใดอาศัยแล้วเนี่ยเกิดปิติ นะเกิดความสุขเมื่อเห็นสถูวนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุให้เข้าสู่สุบุติโลกสวรรค์ได้นะพระองค์เรียกว่าถูปาราบุคคลบุคลบคลผู้สมควรทำสถูวให้มีสี่พวกคือหนึ่งอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกผู้เจ้านะตถาคตตัสสะสาวกโกก็คือสาวกของตถาคตและบุคคลที่สี่คือพระมหาจักรพรรดินะและบุคคลผู้สมควรทำเจดีย์ให้สี่อย่าง หลั่นัสมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกแต่ข้อที่สมเนี่ยเปลี่ยนจากสาวก ข, ของตถาคตเป็นพระอาหารหันต์นะแล้วบุคคลที่สี่เหมือนเดิมคือพระมหาจักรพรรดินั้นสามข้อเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระมหาจักรพรรดิข้อที่สาตัวถูปร า, าราบุคคลคือสงสาวก ข, ของสาวก ข, ของพระตะถาคตส่วนบุคคลผู้คนทําเจดีให้จะเป็นพระอาหารหันต์ นะแสดงว่าฐานะของการทำเจดีนะั้สูงขยับสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการเก็บธาตุการอะไรไว้เนี่ยอาศัยพระสูตรใดอาศัยเหตุปัจจัยใดตัวเนื้อธรรมใดกล่าวเพราะนั้นถ้าเรารกราบไหว้เคารพบูชาด้วยการระลึกถึงพระองค์นะและนำคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติเป็นการบูชาตถาคตอย่างสูงสุดนะ ที่พระองค์บอกกับพระนนท์ตอนที่พระองค์ใกล้จะปรินิพานแล้วมีดอกมณฑารบร่วงโรยมาจากสวรรค์นะพระองค์ก็บอกกับพระนนท์ว่านั่นยังไม่ใช่การบูชานะตถาคตอย่างสูงสุดนะ <c oughs> <c oughs> นะบอกกันนนท์นะ เธอจงจัดตั้งที่นอนระหว่างต้นสาราคู่มีศีษาทางทิศเหนือเราลำบากกายนักจักนอนอานอน์นะระหว่างนั้นเนี่ยประทับเสียสายญาติมีอสศจั์ดอกสาระนะผิดฤดูเนี่ยโปรยลงบนพระสรีละดอกมณฑารบนะจุนไม้จันดนตรีล้วนเป็นของทิพย์ได้ตกลงบรรเลงขึ้นเพื่อบูชาพระตถาคตเจ้าพระเจ้าจึงบอกว่าอานอน์การบูชาเหล่านี้ หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่เนี่ยเราบูชาขนาดนี้ผู้เจ้าบอกยังไม่ใช่นะเห็นนะอานน n พิษุภิกษุณีอุบาโสอุบาสิกาใดประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุด อ น, นุนเพราะฉะนั้นเธอพึงกําหนดใจว่าเราจะประพฤติทำสมควรแก่ธรรมประพฤติชอบยิ่งปฏิบัติตามอยู่ดังนี้พวกเรามาทําตรงเนี้ยเจ็ดวันเนี่ยชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างสูงสุดเพราะกาลังประพฤติทำธธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติอยู่โดยชอบยิ่งนะตามคําของตถาคตด้วยพุทธวจนะตรงๆ ร, งรงเลยนะนั้นเรากําลังเป็นผู้มีความกระตันอยู่กระตาเวทีต่อพระาศาสดา อย่างตึงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วตรงนี้นะเพราะจะมีคนถ่ายทอดต่อ น, ะนั้นศาสนาเนี่ยอยู่ในจิตในใจของพวกเราแล้วก็คือถ่ายทอดกันรุ่มต่อรุ่มต่อไป น, ะนี่คือตัวที่สำคัญที่สุดในกาถามเรื่องการทาบุญครับการอนุโมทนาบุญจากผู้ปฏิบัติเราจะได้รับบุญนั้นด้วยจริงหรือไม่อย่างไร ได้เอเอาใบกาเลทัทันติส ป, ปัญญามาไหมเดี๋ยวไว้เมื่อจะมาให้มีอยู่ใช่ไอมมีอยู่ดีว่าได้เมื่อจะมาแจกให้ด้วยเออไว้ยังตู้ท่านั้นเอาปิดมาหน่อยก็ได้นะอันตมีมาหยิบมาทีละยังไม่ได้เอามาก็ในในบทอนุโมทนาที่ผู้เจ้าตรัสไว้เนี่ยนะจะมีประมาณเก้าพระสูตรเนี่ย ก็คือจะมีการบอกตรงนี้ด้วยว่า <c oughs> ผู้ที่ทำบุญเนี่ยและผู้ที่ขวนขวายในในบุญกิริยาที่เขาเขากำลังทำอยู่เนี่ยนะคนที่ทำบุญเนี่ยก็ได้คนที่ร่วมอนุมโมทนานเนี่ยก็ได้ขวนขวายในการช่วยในการบุญเขานี้ก็ได้และการที่เราเข้าไปช่วยในบุญเขาเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าบุญของผู้นั้นก็ไม่ได้พร่องไปไหนเพราะนั้นผู้นั้นได้เต็มผู้ที่อนุมโมทนาก็ได้ นะได้ทั้งคู่นะแล้วบุญไม่พร่องสําคัญกี่ตรงนี้เพราะเราจะคิดว่าถ้ามีคนมาร่วมเราเฮ้ยเดี๋ยวบุญเรามันแบ่งเราไปหมดนะบางทีก็เลยห่วงว่าเฮ้ยจะมาร่วมมัไม่ใช่ฉันทําคนเดียวอย่างนี้น ะ, ะการปฏิบัติธรรมตักบาตร ท, ทาบุญอุทิศและแผ่เมตตาให้กับผู้ร่วงนับไปแล้วและครอบครัวและเพื่อนและเจ้ากรรมนายเวรเราจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเราจะรับผลบุญต่างๆที่เรา ไ, ไ, ไ, มไม่ทราบหรอกมันไม่มียาเหนยียงรู้จะไปทราบก็ยังไงแต่พระตะถาคตทราบแล้วก็เลยเลยบัญญตัติเรื่องการอุทิศบุญและแผ่เมตตาไว้ให้การอุทิศบุญก็อย่างที่บอกจัดไว้ในเรื่องของทิศฐหกหน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดานะแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์นะสี่ประการนะเออส่วนการแผ่เมตตาก็จัดไว้กับวาเสตะ อันนี้คือที่หกเมื่อท่านทําการะลงรับไปแล้วเราจะกระทาทักษิณาวทิศท่านนะการไหว้พระโดยใช้ดอกไม้บูชาเวียนหรือชุดสังฆทานที่ทางวัดจัดไว้เราเพียงถวายปจายัจจัยเงินบำรุงวัดแทนถามว่าดอกไม้ชุดสังฆทานที่นํามาเวียนใหม่นั้นเราทําผิดอธินาหรือไม่ และบุญที่เราตั้งใจทำจะสำเร็จผลหรือไม่ผิดอาทินาทานเหรอครับอาทินาอาธินาเราไม่ได้ถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นี่นะเพราะนั้นเวลาเขาก็าหวาไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของตัางวัดหรือป้าแล้วเขาจะไปเวียนหรือไม่เวียนนั้นก็เป็นเหตุของเขาละแล้วก็ถ้าเขาผิดก็คือเขาผิดเราไม่ได้ผิดเราคือผู้เสียสละบุญ ได้ในส่วนของเราส่วนถ้าเขาผิดก็คือบาปตกอยู่กับเขามันก็แยกกันนั้นถ้าเขาทำผิดแล้วเรามาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่เกี่ยวกันนะนั้นเราตั้งเจตนาพระุทธเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะนั้นเราตั้งเจตนาอะไรเราตั้งเจตนาจะเสียสละจากคะสละัเงินทองสลัดข้าวน้าผ้ายศยานระเบียบของหอมนะลองไปดูพระนางมลิกานะ นั้นการทำทานการสร้างบุญตรงนี้ก็มีทำอะไรได้บ้างนะ <c oughs> การให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานนะระเบียบของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่อยู่อาศัยนะอันนี้คือเหตุให้ได้มาซึ่งโพกทรัพย์แล้วก็รูปงามผิวพรรณงามนะแล้วก็การได้รูปงามเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะนี้ต้องไม่มักโกรธ ดูก่อนพระนางมาริกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธนี่คือประเด็นสำคัญของการมีรูปงามไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏตรงนี้จะได้รูปงามผิวพรรณงามเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้าผ้ายอดยาน ข้าวน้ำผ้ายวดยานยุยยานพา น, นะระเบียบของหอมแสดงว่าให้ได้นะเครื่องรูปลาที่นอนที่อยู่อาศัยนะที่พักเสนาสนะกุฏิหรือผืนดินเช่นที่อนาถาบินธิกาเศรษฐีนะ ห, นหรื อ, รอนางอัมพาปาลีถวายส่วนมะม่วงอย่างนี้นะและประที่คมไฟแก่สมณนะหรือพราม ถ้ามาตุวความนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพวกสมบัติมากและสูงสัก น, นี่เหตุของการให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ซึ่งพระนางมาลิกาถามกับผู้เจ้าแล้วพระนางก็เลยบอกว่าสงสัยกล้าพระองค์นี่ คงจะทำทานมากนะแล้วก็ไม่เกียจกันตัดรอนนะการให้การของใครก็เลยเกิดมารวยนะแล้วก็สูงสักแต่คงจะฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟยียดก็เลยไม่สวยนะในชาตินี้ก็เลยบอกผู้เจ้าว่าจำเดิมแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยให้พระองค์จำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟยียดไม่กระด้านกระเดียงจะเป็นคนไม่โกรธอ่ะจะไม่ยอมโกรธ จะได้เกิดในชาติต่อๆไปจะได้เป็นผู้มีรูปงามนะถามเรื่องวินัยสงฆ์นะครับพระสงฆ์ที่ยืนรอรับบิณฑบาตหน้าตลาดผิดกฎหรือเปล่าเห็นพระยืนรอรับบิณฑบาตแล้วก็มีคนใส่บาตรมากมายขากับพระก็เรียกรถกับเรียกรสามพรอกั บ, บเป็นการทำผิดบทบัญญัติหรือไม่อ๋อ การบินธบาตเนี่ยเป็นการหาเลี้ยงชีวิตด้วยกําลังของปลีแข้งพุทธเจ้าบอกนะก็คือต้องใช้การเดินนะเลี้ยงชีพด้วยกําลังของปลีแข้งแสวงหาอาหารนะมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีชีวรเป็นเครื่องบริหารกายนะไปไหนก็เบาดุดนกมีปีกนะมีภาระแค่บาทกับชีวรนสองอย่าง อากาศปริยาในการบิณดาบัดก็บัญญัติไว้ในวัดของการบินดาบัดห่มจีวรซ้อนสังคากลัดลูกดุมลังดุมเดินเข้าไปสู่บ้านนี้ออกบ้านนี้เข้าสู่บ้านนี้ออกบ้านนี้อย่ารีบเข้าเร็วนักอย่ารีบออกเร็วนักนะพิจารณาว่าเขาจะประสงค์จะถวายอาหารหรือไม่อย่างนี้นะก็ไม่ได้มีในเรื่องของการยืนเฉยแต่การยืนเฉยก็ไม่มีปปับบติอีกเหมือนกันก็เลยพูดยากตรงนี้ เช่นว่าตัวอย่างามีพระต่างประเทศชาวต่างประเทศคนหนึ่งกลับไปที่ประเทศตนเองประเทศเยอรมันแล้วก็ไปเดินบินตบาตไม่ได้อาหารทำยังไงดีก็เปลี่ยนที่ใหม่ไปบินทบาต ท, ที่ซูปเปอร์มาร์เนกะ็ตก็ไปเดินก็ไม่ได้อาหารอีกก็ทำยังไงดีก็เลยหาวิธีใหม่ยื่นเฉยเฉยยื่นเฉยเฉย ถ้าผู้เจ้าบัญญัติว่ายิน เ, ยเฉยๆผิดก็ไม่ได้จริงไหมนะนั้นผู้เจ้าก็มีช่องเปิดช่องเอาไว้นะโดยปกติเนี่ยพระเนี่ยถ้าผู้เจ้าไม่บอกอันไหนจะไม่ทําอันนั้นบอกอันไหนก็ทําแค่นั้นนะนั้นโดยปกติคือพระจะทําตามเท่าที่บอกแต่ที่ไม่ได้บอกเนี่ยต้องมีเหตุจริงๆถึงจะเข้าไปทําตรงนั้นนะแล้วการเข้าไปทําตรงนั้น จะพินาดูอีกชั้นหนึ่งว่าปรับอาบัตไหมถ้าไม่ปรับอาบัตแสดงว่าให้ทาภายใต้เหตุปัจจัยจริงๆแต่ถ้าปรับอาบัตไว้นั้นคือทำไม่ได้น่ะอย่างนี้มันมีหลายชั้นนะ <c oughs> นั้น <c oughs> พระรูนี้ก็ไปยืนเฉยๆสักพักหนึ่งก็มีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาถามว่าเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรแต่งกายแบบนี้ก็เลยบอกเป็นพระในผุ้ศาสนา ก็มาเพื่อบินธบัดหาอาหารนะไปเลี้ยงชีพก็เลยบอกว่าอยากได้อาหารเขาก็เข้าไปซื้ออาหารมาให้ไก่สดแช่แข็งหนึ่งตัวใส่ก็ต้องอธิบายว่าไม่ใช่ต้องเป็นอาหารสดอาหารที่กินได้เลยเห็นนะนั้นไอ้เรื่องบินทบัตเข้าสารอาหารแห้งนี่จริงๆมันไม่มีนะแต่เพราะเหตุปัจจัยเพราะอาหารสดมันเยอะเราเลยไป เริ่มสร้างแบบใหม่และถ้าพระทั่วๆไปเดินบินาบาตแล้วไปเจอเข้าสารอาหารแห้งท่านจะทำยังไงเนาะคูเจ้าห้ามผงหาอาหารห้ามเก็บอาหารห้ามปรุงอาหารทำอะไรก็ไม่ได้นั่งมองเข้าสารเดยเชิหรือนั่งเคี้ยวเข้าสารไปเรื่อยๆนะเพรละว่านั่งบากเหมือนกันนะ อ, อันาไปวิเวกยุทธดงนะ เจอก็ใส่กระป๋องให้เราก็ไม่ได้พกที่เปิดกระป๋องจบเลยนั่งมองกระป๋องอยงเช่นแกก็ไม่ได้นะมีไม่ได้ไปเจอมะม่วงก็ยังใช้ปาดกัดได้ปอกเปลื ด, ด้วยปากนะอ่านะแล้วก็กินเนื้อบางวันเจอแตงโมก็ไม่ต้องอะไรละลูกเดียวเต็มบาทอ่นะพอดี <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ชัดอย่างอื่นเดินไปแตงโมก็คุกคุกคลิกคิ ก, ค ก, คกไปกิ้งไปเรื่อยๆนะ วินับานนี้ยมจะเจออะไรแปลกๆนะเยอะแยะเลยนะนะลำบากเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะได้รู้ว่าเออคนนี่หลายแบบจริงๆนะกับเพียรถามพระอาจารย์ว่าเราสามารถใส่บาทโดยด้วยการใส่ปัจจัยได้หรือไม่ <c oughs> ย่องใส่ได้แต่พระห้ามรับถกลองใส่ได้ไหนเนี่ย <laughs> คือศีลหรือวินัยไม่ได้ห้ามญาติโยมไงศีลวินัยเนี่ยมาห้ามที่พระว่าพระห้ามรับปัจจัยเงินทองพุทธเจ้าบัญญัติว่าหากหนึ่งภิกษุใดรับประดีให้รับประดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกียาปจิตตินิสสกีปาปจิตติหมายถึงอะไรปรจิตติคือตัวอาบัติที่พระจะต้องได้รับส่วนตัวนิสสกีหมายถึงสิ่งของที่พระรับมา นั้นต้องสละทิ้งท่ามกลังสงฆนั้นเงินทองที่ได้มาก็ต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์นะไม่อนุญาตให้นําไปใช้นะํามาแล้วเอาไปซื้อขายก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้จะมีอีกสองอาบัติอีกอันหนึ่งอันหนึ่งพิสูุนดถึงการซื้อและการขายเป็นนิสกีปาจิติอันหนึ่งพิสูจน์ดถึงการแลกเปลี่ยนด้วยรูปยะเป็นนิสกยาปาจิตติเจไปสามข้อก็ขยับยากอืม <c oughs> โยมที่ใส่แตงโม ล, ละ่ะเขาก็ได้สิอ๋อเอามีดฝ่าอันลนก็ไม่รู้จะทำให้ทุกมันกับพื้นโป้งมันแตกมีดก็ไม่มีนะแลช่วยผ่าให้หน่อยก็ดีนะจะไม่ให้พ้าฉันอย่างอื่นเลยนะเล่นแตงโมอย่างเดียววันนั้นนะ ก็ต้องไปถวายให้กับวญญายาพราจกรอินทวาสนะใช่ผู้เจ้าบัญญัติเรื่องวญญายาพราจกรในนิสสกีปัจจติข้อสามข้อที่สิบ <c oughs> ก็คือมีพระราชาส่งทูตไปออาทูตเอาเงินไปนะนะแล้วเอาเงินนี้ไปทําจีวรให้กับพิสุพระก็บว่าทูตเนี้ยมาถึงพิสุแล้วดันเอาเงินมาให้กับพิสุไม่เอาเงินไปทําจีวรมาให้ นะพิสูจน์ต้องบอกว่ายัางไงต้องปฏิเสธนะพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายชีวรนไม่พวกเรารับแต่ชีวร อ, อันเป็นของควนโดยการเห็นนะพระต้องปฏิเสธเดินบินถวายเข้ายังเงินมาใส่พระต้องปฏิเสธว่าออรับแต่อาหารรับเงินไม่ได้นะอย่างเนี้ความรับมาก็คือเราต้องอาบัติเงี้ยเ <c oughs> มื่อปฏิเสธแล้วเนี่ย มันไม่สำเร็จประโยชน์นี่พระราชาสั่งมาแล้วคนนั้นจะทํำยังไงนั้นถ้าโยมมีเจตนาจะให้โยมก็ต้องถามว่าเออแล้วเงินนี้จะสําเร็จประโยชน์ได้อย่างไรใช่ไหมบางคนก็พอพระไม่รับเก็บเข้ากระเป๋าเอออดเลยเรียบร้อยใช่ไหมเลยไม่ได้ทําแต่ทีนี้ถ้าเขาขวนขวายต่อเราจะตอบได้ถ้าเขาไม่ขวนขวายก็ต่างคนต่างเงียบแยกกันไปนะนั้นพระก็จะต้องไม่เป็นผู้นําเสนอไงนะ รอเหตุปัจจัยถ้าก็มีเหตุปัจจัยอย่างทูดนี้เขาบอกก็ใครๆผู้เป็นวายาวัชกรของท่านมีหรือ <c oughs> นี่นพิสูจนต้องการจีวรไหมนะถ้าต้องการจีวรถึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวายาวัชกรด้วยคําว่าคนนั้นแลเป็นวายาวจักรของพิสูจน์ทั้งหลายนั้นแสดงชนผู้ทําการในอารามจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ไม่ได้บังคับขอให้เป็นชนทําการในอาราม ส่วนถ้าไม่ใช่ชนทำการในอารามให้แสดงเฉพาะอุบาสกไม่ได้อนุญาตอุบาสิกานะ <c oughs> นี่เป็นแง่มุมนะนั้นด้วยคำพูดเพียงอันเดียวเนี่ยเราพิจารณาให้ลึกมันมีความลึกในนั้นจากนั้นเนี่ยทูตก็เข้าไปหาวัยาวจกร น, นั้นเอาเงินไปฝากให้แล้วต้องกลับมาบอกพิสนะุว่า ข้าพเจ้าสั่งวายาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจับให้ท่านครองจีวรตามการเห็นนะนั้นผู้เจ้าให้อำนาจกับพระในการชี้วายาวัจกรนั่นคือวายาวัจกรจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่พระชี้และไม่กำหนดชี้แล้วเปลี่ยนคนก็ได้ชี้ได้ใหม่เรื่อยๆแล้วแต่ปิสุณะขณะนั้นณเวลานั้นนะนั้นอย่างวายาวัจกรปัจจุบันมีตาตั้งวายาวัจกรฟิกตายตัวอะไรเปลี่ยนไม่ได้นะ อันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันคือพระเปลี่ยนได้นะเป็นอย่างนี้นี่แงมุมเห็นไหมมันต่างจากที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้เข้าไปศึกษาคำพระองค์จากนั้นเนี่ย <c oughs> เมื่อเมื่อพระต้องการจีวร น, น่ะ <c oughs> ก็ให้เข้าไปทวงไปเตือนว ย, ยาวัจกรด้วยคำว่ารูปต้องการจีวรน่นะ ภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่สองถึงสามครั้งยังวายาวจักร น, นั้นให้จัดจีวรสาเร็จได้กันให้สําเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าให้สําเร็จไม่ได้ผู้เจ้าให้ทํำยังไงไปทวงสามรอบแล้วเขาก็เฉยผู้เจ้าบอกให้ไปยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างมากห้ามพูดยืนนิ่งๆิ่งให้เขาคิดได้เองว่าเขาควรจะทำอะไรให้ถ้ายืนนิ่งถึงหกครั้งแล้วเขาไม่ทําให้ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวรนั้นให้สําเร็จตับอบวบภิกษุ กีวที่ได้มาเป็นนิสกีต้องสลัดทิ้งพิกษุถูกปรับประบาดไปจิตตีนะอย่างนี้สิ่งที่ทําได้คืออะไรผู้เจ้าให้กลับไปบอกเจ้าของเงินนะส่งทูตไปก็ได้ไปเองก็ได้ส่งทูตไปก็ได้นะในสํานักที่สงทรัพย์สําหรับจับจ่ายกีวอนมาเพื่อเธอบอกว่าทรัพย์นะั้นไม่สําเร็จประโยชน์หรอกมาทวงเอาทรัพย์ของท่านคืนไปซะให้คารวะเข้าทวงเงินเองพระไม่เกี่ยวเราก็ไปตามภาษาของเราอย่างนี้ นี่คือเหตุที่มาของคําว่าวยาวัจกรมาจากสิกขาบทนี้นั้นทุกอย่างนี่ยในพุทธศาสนาต้องหาเหตุให้ได้ว่ามันมาจากไหนผู้เจ้าบัญญัติไว้ตรงไหนนะแต่ก่อนอาตมาก็สงสัยไวยาวัจกรมันใช่พุทธวจนะเปล่ามันมาจากไหนก็พยายามหาหาอ๋อจนเจออยู่ในปาติโมชนี่เองนะหมดคําถามนะ ไม่หมดยังไม่หมดแต่เวล า, ห, วลาหมดนะได้เวลาล่วงเลยอาจารย์จะมึกนืก็สำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะคงจะได้ความรู้กันพอสมควรนะ<อ>พรุ่งนี้ก็ปฏิบัติกันต่อเนาะอาตมาไปบรรยายให้ทหารเรือที่สัตหีบนะเดี๋ยวลาจะกลับมาเย็นๆมาพบอยู่ถ้าร่างกายอํำหน่วย วันนั้นจะมาอยู่จะเดินทางแล้วมันหัวใจมันไม่ปกติเต้นเร็วขึ้นกันเลยมาไม่ไหวละเลยนอนพักนะอ่าก็ถ้าไม่มีอะไรก็นะวันนี้เลิเท่านี้เนาะโชีกราบจากครับบ๊าบ